เดี๋ยวสนทนาธรรมมากันต่อนะวันนี้ก็จะบรรยายในหัวข้อคือเป็นการคุยกันนะจะเอาพ่อชงมาสนทนากันพ่ชงพูดในลักษณะของคำว่าพ่ชงเป็นที่จริงคำว่าพ่ชงเนี่ยเป็นภาษาไทยที่ทับศัพท์ ไม่ทีหนึ่งจากภาษาบาลีบาลีใช้คำพูดชังคะเป็นคํารวมการของศัพท์คำพูดที่บวกอังคะเนี่ยสำเร็จรูปมาเป็นโพูชังคะภาษาไทยเราก็ทับศรรพรพัพท์พูดชงพูดที่นี่ก็แปลว่าปัญญาตรัสรู้จะเป็นชื่อของปัญญาพูดที่คำว่าพูดที่ปัญญาก็คือปัญญาตรัสรู้ดังที่ได้กล่าวพธดที่ไม่ใช่ปัญญาทั่วไปนะเพราะปัญญามีมาก มีเยอะแยะแต่ปัญญาที่เรู้รู้รูปนมตามความเป็นจริงปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ปัญญานั่นปัญญานี้แต่ปัญญาเหล่าเนี้ยยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นปัญญาที่เป็นโพธิโพธิเป็นชื่อของปัญญาในลักษณะหนึ่งเป็นปัญญาที่ทำให้ละกิเลสได้ด้วยบางคนก็มีปัญญาเยอะแต่ละกิเลสไม่ได้ปัญญาเป็นอย่างอื่นไป นั้นปัญญาที่จะเป็นโพธิในที่นี้ก็เป็นปัญญาเครื่องตัสรุอริยสัจท่านเองเพราะโพธิอีกความหมายหนึ่งเป็นการรู้สิ่งที่ควรรู้รู้แบบทะรุทะลวงรู้แบบแจ่มแจ้งก็ไปรู้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่การรู้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็เป็นการรู้ในทุกรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์รู้ในความดับทุกข์รู้ในข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ รู้ทุกโดยความเป็นทุกรู้สมุทยัยโดยความเป็นสมุทยัยรู้นิโรธโดยความเป็นนิโรธรู้มรรคโดยความเป็นมรรคเนี่ยแบบเป็นรูปทางนั้นคําว่าตัสรู้อริยสัจจ์หมายถึงรู้สัจจะสี่ตามที่มันเป็นเข้าใจชัดอย่างที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงเข้าใจชัดเจนเนี่ยเยอันนี้ก็คือว่าเป็นปัญญาตัสรู้ส่วนว่า อริยสัจเนี่ยเคยได้ขยายไปพอสมควรอริยสัจ ท, ทีนี้อังคะนี่ก็แปลว่าคุณสมบัติหรือส่วนประกอบส่วนประกอบโพธิกก็เป็นชื่อของปัญญาปัญญาลักิเลสปัญญาเห็นอริยสัจปัญญาพาไปถึงนิพพานอังคะนั้นเป็นส่วนประกอบดังนั้นโพชังคะเนี่ยหากดูถึงตัวสภาวธรรมก็หมายถึงสภาวธรรมที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เป็นไปเพื่อการทศรูอริยสัจ4ี เป็นส่วนประกอบเป็นการตัสรู้ทําให้เกิดปัญญารู้สัจจะรู้ความจริงรู้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ต้องเป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบเกเรเรียกว่าโพชชังคะนี่ตามตามแบบในลักษณะอย่างนี้นะที่ความหมายอีกแบบหนึ่งก็คือมีความหมายในแง่เป็นเครื่องมือของคนอริยะสาวกจะเป็นอริยะสาวกได้ก็ต้องมีธรรมะเหล่านี้แหละก็คือตัสรู้ธรรมะ เป็นเครื่องมือในการที่จะรู้อริยสัจเจะธรรมทั้ง4ดังที่เรียกกาวทีนี้ว่าพฌดชงเนี่ยก็มีความหมายพูดถึงสภาวะธรรมก็หมายถึงองค์ประกอบที่เป็นที่ทำให้ปัญญาตัสรุอันที่สองพูดถึงบุคคลเป็นคนทศสมบัติที่ทาให้ตัศรุนะคาว่าตัศรุก็คือเกิดปัญญาก็คืออริยมรรคนาประชมกันพูชงเนี่ย ก็เกิดไปประชุมกันอย่างนี้เป็นต้นเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งนะมีพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์สังยุตมหาวราวัรคพิกขูสูตรเรื่องเกิดที่สาวัตถีบอกว่าครั้งนั้นเน่ยพระพิกษูส ร, รูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับนั่งในที่สมควรได้โทูถามพระผู้มีวรภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระองค์ตรัสว่าโพ่อชงพ่อชงด้วยเหตุเพียงเท่าไหรหนอพระองค์จึงตรัสว่าพ่อชงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุที่เรียวกว่าพ่อชงเพราะเป็นไปเพื่อตัสรู้คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชง อ, อาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรธะน้อมไปในโวสักกะก็คือน้อมไปในการที่จะสละ เจริญธรรมวิจริยสัมโพชงอนาสัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปในโวสักฆะ็คือน้อมไปในการเจสระกิเลสนี่แหละเจริญวิริยสัมโพชงอนาสัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวสักฆะเจริญปีติสัมโพชงอนาสัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปในโวสักะ เจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์อนาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาน้อมไปในวอดสักะเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อนาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปในวอดสักะเจริญอุเบขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในวอดสักะเมื่อเธอเจริญโพชฌงค์เจ็ประการอยู่จิตก็จะหุดพ้นจากกามาสวะภาวะสวะอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็รู้ว่าหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรอมจรรย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเนี้จบในพิกคุสูรทีนี้ถ้าเราดูเท่สูรอย่างนี้ความเข้าใจก็จะไม่ถึงนี่เป็นคำตอบที่พร ะ, ะสารดสามมาสมพระเจ้าตอบแก่พิษุทั้งหลายอันนี้พูดแบบลึกลงไปเลยพูดแบบคุณสมบัติสูงสุดเลยว่าเป็นการจดสรู้เป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากกิเลส เป็นไปเพื่อการเห็นความเป็นจริงคือพระนิพพานฉะนั้นที่เชื่อโพุทธชงเพราะเป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบของโพธิเป็นองค์ประกอบเป็นการตรัสรู้เป็นไปเพื่อการทําลายพ้นจากอาสวะกิเลสเบลุอัหันเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้ว่าจะเข้าใจลักษณะโพุทธชงได้ดีฮะเข้าใจธรรมะที่ตรงกันข้ามที่เปรียบเทียบพุทธชงในตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันข้ามกับนิวรณ ถ้าเราเข้าใจนิวรณ์นะเป็นธรรมที่เป็นเครื่องกั้นเนี่ยนิวรณ์ไปกล่าวไว้ในสติปัฏฐานหมวดธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ไหมมีกรารมาฉันทะนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยที่อยู่ภายในจิตก็รู้ว่ากามาฉันทะมีอยู่ภายในจิตเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นเวลาจะศึกษาในเรื่องของโพชงก็จะต้องศึกษาธรรมะที่เปรียบเทียบที่ตรงกันข้ามเพราะว่า เมื่อเจริญโพชฌงแล้วเนี่ยตัวโพชฌงก็จะไปนละนิวรนถ้าทำได้อย่างไม่ต่อเนื่องทำได้บ้างไม่ทำได้บ้างนิวรนก็จะเข้าครอบงำบุคคลที่มีนิวรนละทำเข้าครอบงำเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ด้วยความเป็นทุกข์อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความกัดกรุมในอวรณะนิวรณะสูตรนะทำที่เป็นเครื่องกั้นเนี่ย เครื่องกั้นหรืเครื่องห้ามเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองแห่งจิตเนี่ยถอนกําลังปัญญาทําให้ปัญญาดับลงเนี่ยมีอยู่ห้าประการนะทำที่ทําให้ปัญญาดับเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อการตัดสูรุ่นี่แหละเป็นตัวปิดกัน้นทําปัญญาปัญญาไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่เป็นอุปกิเลสของจิตด้วยนะเป็นความเศร้าหมองของจิตใจด้วย ก็คือทาห้าประการนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กดทับจิตทําปัญญาให้อ่อนกำลังห้าประการก็คือการมฉันทะเป็นนิวรเป็นเครื่องกั้นเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกาลังปัญญาพยาปาทะรือพยาบาทเป็นนิวรเป็นเครื่องกั้นเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกำลังปัญญาถีนมิทะเป็นนิวรณเป็นเครื่องกั้นเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกาลังปัญญา อุทธ aja กุกุจ่าเป็นนิวรนเป็นเครื่องกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกาลังปัญญาวิจิกิจฉาเป็นความเป็นเครื่องกั้นเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญานิวรนหประการนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญาด้วยเออที่ s, <S ทบอกว่าทอนกาลังปัญญาเนี่ยเป็นสิ ppe, director, ่งกดทับจิตทําปัญญาให้อ่อนกําลัง บุคคลที่มีนิวรนี้ปิดกั้นหลูจกักรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักรทำประจักษ์แจ้งซส่งญานนณทัศนะอันวิเศษที่สามารถทำให้เป็นอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามันด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กำลังนั้นน่ข้อนั้นย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ก็แปลว่าเนี่ยพวกเราก็จะเจอกลุ่มนิวร์เหล่านี้กดทับจิตแล้วก็ทาปัญญาให้ทุรพล ถ้าไม่ปัญญาเราอ่อนแอแล้วก็เจอกิเลสเหล่านี้ยเล่นงานกันอยู่ตลอดเวลาทุกวันไหมบางคนก็เจอการไม่ฉันทากุ้มรุมคือความติดใจไฝกรสันบางคนก็เจอพยาบาทกุ้มรุมคือความเครียดความกัดกลุ้มบางคนก็เจอฉี่น้ ม, มิทะคือความท้อถอยกุ้มรุมบางคนก็เจออุทธจักรกุ ก, กจักรพุ่งสร้างลาคาญใจบางคนก็เจอวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย พระรัชกาบอกว่าเนี่ยแหละทำให้ปัญญาอ่อนกําลังลงเลยท่านได้อุปมาว่าเปรียบเหมือนแม่น้ําที่เกิดบนภูเขาไหลปนเป็นสายยาวเนี่ยมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่ควรพัดพาไปได้บุรุษเปิดปากเหมืองออกทั้งสองข้างของแม่น้ํานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นกระแสน้ําท่ามกลางแม่น้ํานั้นก็กระจายสายผ้าเขวนระคว้างไม่แล่นไปไกล ไปไม่แล่นไหลไม่ไปไกลไม่มีกระแสที่เชี่ยวและพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาไปไม่ได้พระพิเจ้าก็บอกว่ า, ส, าสังขารสังขารวพรามกราบทูลพระเจ้าวาท่านพระโคตมะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยบางคราวมนทั้งหลายแม้ที่ได้สาธยายมาแล้วตลอดเวลายาวนานก็ไม่แจมแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมน์ที่มิได้สาธยายเลยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยในบางค่าวมวลทั้งหลายที่มิได้สาธยายตลอดการยาวนานก็แจมแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาที่ได้สาธยายพระเจ้าจกระบอกดูก่อนพรามในเวลาใดบุคคลมีใจที่ถูกกุ้มรวมด้วยการมราคะคือความติดใจไฝ่กสันถูกการมราคะครอบงําและไม่รู้ชัดความเป็นจริงซึ่งทางออกของการมราคะที่กล่าวแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นเขาย่อมไม่รู้ชัด มองไม่เห็นตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสงฝ่ายมนทั้งหลายแม้ที่ได้สาธยายตลอดกาลอันยาวนานก็ย่อมไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาธยายเลยบุคคลที่ถูกพยาบาทก้มรุมถีนมิถะก้มรุมอุเทจักกุกุจักก้มรุมวิจิกิจฉาก้มรุมก็เช่นเดียวกันท่านเปรียบเหมือนบุคคลที่ถูกนิวรก้มรุมว่าจิจที่ถูกกามรมาลาคะาก้มรุมเปรียบเสมือนพาชนะที่ใส่น้ําเอาสีข้างบ้างสีคมินบ้า ง, ส, างสีเขียวบ้างสีแดงอ่อนบ้าง ผสมปนกันไว้คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ําก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนี่ก็ฉันนั้นแหละจิตก็มืดมนอนตรการด้วยกามฉันทะกามราคาคือความติดใจไฝกระสันจิตที่แส่ไปหากามาคุณร่านไปหากามคุณคือสีเสียงกลิ่นรสผลภิภัพฑ์ก็ทําให้มืดบอดไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนน้ําที่ถูกสีแดงสีครั่งสีเหลืองผสมนั่นแหละ เราไปส่องเงาหน้าเราในน้ําก็มองไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตที่ถูกพยาบาทครอบงําก็เ ป, เปรียบเสมือนภาชนะใส่น้ําเอาไปเผานรนเผาไฟเนี่ยเอาไปเอาไฟรนเนี่ยน้ำก็เดือดพานไอก็พุ่งขึ้นมาคนตาดีก็มองหน้าตัวเองในภาชนะนั้นไม่ชัดไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตของเราก็เหมือนกันเวลาเกิดพยาบาทเนี่ยความโกรธความหงุดหงิดก้มรวมเนี่ยมันซัดใส่ตลอดเวลาเครียด เป็นไม่เป็นหุดเหงียดโกรธกระทบกระทั่งอยู่นั่นแหละไม่มีมันไม่สามารถจะเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องงั้นเถอะหุดเหงีดไปหมดเลยเป็นไหมเป็นไม่เป็นสามก็คือจิตที่ถูกถีนมิทะคือความหดหู่ท้อถอยก้มรุ่มเหมือนภาชนะใส่น้ําที่ถูกสาลายและจอกแหนปกคลุมคนตาดีมองเงาหน้าต้นเองก็ไม่เห็นชัดไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเป็นไหมเนี่ย ที่นวิทะพอถูท่อถอยจิตไม่โปร่งไม่โล่งอะไรแล้วเครียดกุ้มหงดหงิดท่อถอยเซ็งเซ็งซึมเบื่อเนี่ยประการที่สี่จิตที่ถูกทักจากกุกุจักพุ่มรุมก็เหมือนกับภาชนะใส่น้ําที่ถูกลมพัดต้องไหวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่เน้เนบอมเป็นบ่อยอุทักจากกุกุจ่าเนี่ยหลับไม่ลง <S <S 2> <S 2> เป็นตลอดเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้น มันพัดอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงหยุดไม่ได้ลมพัดตลอดกระเพื่อมตลอดบบบุบบตลอดอาจารย์ก็เป็นเป็นว่างวันถ้าป่วยวันวันไหนป่วยเป็นถ้าไม่ป่วยไม่ค่อยเป็นเพราะว่าสงบใจถ้่ป่วยเพราใจไอ้ร่างกายกระตุนกระตุนจิตมันพักไม่ได้ห้าจิตที่ถูกวิจิตริชาครอบงามก็เหมือนภาชนะใส่น้ํา ที่ขุนมัวแล้วก็เป็นตมด้วยวางไว้ใ น, นที่มืดอีกคนตาดีก็มองไม่เห็นไม่ชัดตามความเป็นจริงอันนี้ก็เหมือนการบอกว่าส่วนบุคคลที่ไม่มีนิวรณ์ห้ครอบงำและรู้ทางออกของนิวรณ์ห้ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่ น, อนประโยชน์ ท, ชนทั้งสฝ่ายมนแม้มีได้สาธยายตลอดการยาวนานก็แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ได้สาธยายและมุ่งแล่บประมาต่างๆตรงกันข้ามก็คือว่า อุปกรณของทองก็มีหนะ้าทองที่มันไม่ปลังเนี่ยนะไม่สุกปลังเปล่ะไม่เหมาะที่จะนาไปทำอะไรเนี่ยห้าประการก็คือเหล็กโลหะดีบุกตะกรัวและก็เงินถ้าทองพ้นจะอุปกรณห้าประการแล้วจะเป็นสภาพที่อ่อนยนควรแก่สุกปลังไม่เปล่าเหมาะที่จะทาไปทำประโยชน์ได้ก็คือช่างสามารถเอาไปทำเป็นแหวนต่างหูสร้อยคอและส่วนนามาราเป็นต้นได้เนี่ย ไปดีฉะนั้นจิตที่ถูกการมาฉันทะพยาบาทีนมิทะอุเทจากกุกูจากกุ้มรวมแล้วเป็นจิตที่ไม่อ่อนเป็นจิตจิตที่ไม่เหมาะเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ถูกนิวรณกุ้มรวมแล้วก็เป็นโทษด้วยนะเป็นโทษไม่เป็นไปเพื่อเบืหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อทัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน พระพเจ้าเขาบอกว่าภิกษูตทั้งหลายโพศชงเจ็ประการนี่เป็นไม่เป็นนิวร์เนะไม่เป็นนิวร์เครื่องกลางกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งผลวิชาแล้ววิมุติด้วยเจประการก็คือสติสัมโพธชงเนี่ยไม่เป็นนิวร์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วยอ่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งซึ่งวิชาวิ ช, ชาคืออริยมรรควิมุตคืออริยผล นี่เป็นสติ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้แจ้งผล ค, คือวิชาคือริยมคแล้ววิมุตต์คืออริยผลวิริยะสัมโพชงไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นเครื่องกั้นไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งผลคือวิชาและวิมุตต์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 ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแห่งผลคือวิชาและวิมุตต์เจอเบคาสัมโพชงไม่เป็นนิวรนเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องความเศร้าหมองอย่งจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตต์พ่อชงเจ็ประการนี้ไม่เป็นนิวรนเครื่องกั้นไม่เป็นเครื่องเศร้าหมองอย่งจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปทําผลรู้แจ้งผลคือวิชาและวิมุตต์ พิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจฝ่ายใจสัมรวมใจเงี่ยโสดสดับธรรมะสมัยนั้นนิวรณ์หประการย่อมไม่มีแก่เธอโพชฌงเจ็ประการย่อมเจริญแก่เธอเต็มที่ก็คือในขณะที่ฟังธรรมะนะฟังได้จิตที่เลื่อมใสจิตที่ศรัทธาจิตที่ตั้งมั่นนิวรณ์หประการก็จะไม่มีแก่เธอในสมัยนั้นก็คือการมฉันทะนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น พยาบาตนิวร์ก็ไม่มีในสมัยนั้นวิถีนมิทา น, นิวรก็ไม่มีในสมัยนั้นอุทธจ ก, กุกุจจานิวร์ก็ไม่มีในสมัยนั้นวิจิกิจฉานิวร์ก็ไม่มีในสมัยนั้นนิวรณ์หประการย่อมไม่เกิดแก่เธอในสมัยที่กําลังฟังธรรมในจิตที่เปลี่ยนไปกับศรัทธาเปลี่ยนไปกับความเพียรเป็นต้นแต่อะไรจะมีพอดชง7ประการจะถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้นก็คือสติสัมโพชชงย่อมถึงความเจริญในสมัยนั้น ธรรมวิญยาณสำโพชงถึงความเจริญในสมัยนั้นวิริยะสมโพชงเจริญในสมัยนั้นปิติสัมโพชงก็เจริญในสมัยนั้นปัตธิสัมโพชงก็เจริญเต็มที่ในสมัยนั้นสมาธิสำโพชงก็เจริญเต็มที่ในสมัยนั้นและเวขาสำโพชงก็เจริญเต็มที่ในสมัยนั้นโพชง7ประการนี้ย่อมถึงความเจริญในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกตั้งใจฝ่ายใจสำรวมใจเงี่ยสดศดับตรับทังตรับ สดับธรรมะสมัยนั้นนิวรณ์ห้าประการย่อมไม่มีแก่เธอแต่พ่อชงเจ็ดย่อมเกิดขึ้นเจริญเต็มที่แก่เธอนี่เป็นอย่างนี้นั้นสามารถฟังธรรมเนี่ยทําให้นิวรณ์ไม่เกิดได้ไหมได้พ่อชงเกิดในขณะที่ฟังไนดะ้แล้วตอนนี้เกิดไหมเกิดตะ้อกไหมเกิดไม่เกิดพอฟังแล้วเจ็ดใจแช่มชื่นชื่นนึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้แล้วนึกถึงแร้วไม่นึกถึง ถ้านึกถึงเนี่ยนะพระ ร, รัตนตรัยเบนเตอร์เลยเนี่ยนิวรณ์เป็นเครื่องกลางกัน้นเขบอกว่าพระสูตรที่กล่าวถึงโพุทธชงมีลักษณะตรงกันข้ามกับ น, นิวรณ์เป็นปฏิปักษ์กันท่านทั้งหลายเนี่ยนะเราเนี่ยปรารถนาอยากเป็นนักปฏิบัติอยากจะละนิวรณ์ก็ต้องฝึกโพุทธชงขึ้นมาตัวแรกก็คือสติสัมพุทธชงนี่แหละก็คือให้มีสติเป็นไปเพื่อตัสรู้เพื่อจะเป็นผู้รู้มีสติเกิดติดต่อและต่อเนื่อง ในการยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายตรงนี้ก็ฝึกเพื่อจะทำให้ไม่นิวรนนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาเพราะนิวรนเนี่ยกัดสตินี่ตรงกันข้ามกันยังไงเป็นเครื่องกัน้นสติเป็นเครื่องกั้นนิวรนด้ยนิวรนเป็นเครื่องเศร้าหมองอยังจิตทอนกําลังปัญญาเป็นเครื่องกั้นจิตด้วยกั้นไม่ให้เห็นความจริงด้วยเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัว พ่ชงเจ็ดไม่เป็นนิวอน์ไม่เป็นเครื่องกั้นทำจิตให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เศร้าหมองเจริญทำให้มากก็เป็นไปเพื่อการําใไม่แจ้งซึ่งวิชาและไรไมีมุตเป็นต้นด้วยนั้นในขณะที่ตั้งใจฟังธรรมปุ๊บมีจิตจะจ่ออย่างเต็มที่สามารถทำให้นิวรนหมดไปได้พ่ชงเกิดขึ้นได้ในสมัยขั้งพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาฟังธรรมปุ๊บโอ้โหจิตเขาน้อมดิ่งไปในขณะที่ฟังธรรม ตั้งใจใส่ใจอย่างเต็มที่มีจิตจดจอ่อตั้งใจใฝ่รู้ฮิวร์ก็ไม่มีพ่ชงก็เกิดขึ้นในขณะนั้นสติเกิดติดต่อและต่อเนื่องก็ทำให้ฝึกนะสมัยนั้นอริยะสาวกตั้งใจใส่ใจสํารวมใจเงี่ยโสดสะดับธรรมะผู้ที่กระทาเหล่านี้ได้ต้องมีการฝึกมาดีถ้าฝึกไม่ดีนะจิตก็ไม่อยู่กับการฟังสมาธิก็ไม่โกรธใช่ไ ถ้าฝึกดีแล้วจิตจด จ, ดจอ่อเป็นไปกับการฟังธรรมะเป็นไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยสติก็ต้องอาศัยปัญญานี่แหละเกี่ยวขยายความขยายสติสัมโพชงก็เกิดขึ้นนะสติสัมโพชงเป็นสติที่เฉพาะเจอดจงนะเป็นกําลังด้วยเป็นไปเพื่อการละกิเลสนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนี่ก็ต้องฝึกฝึกให้เกิด เบื้องต้นน่ยถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นโพดชงอย่างสมบูรณ์แบบอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเครื่องกั้นดาไม่นิวร์เข้ามาปกคลุมพระรัชกาลบอกว่าพิกษสูตรทั้งหลายต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเนี่ยเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นมาเกาะคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาดก็คือต้นโพบ้างต้นไซบ้างต้นเรียบต้นมะเดื่อเนี่ยต้นวควิด ต้นไม้เหล่านี้มีกาฝากกอใหญ่ปกคลุมเป็นเหยุให้่ล้มระลัยอำนาชั้นใดกุลบุตรบางคนในโลกกรฉันนั้นเหมือนกันละกามเช่นใดออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเขาก็ถูกกามเช่นนั้นน่ะหรือเลวกว่านั้นจะทำให้หกล้มเทลิกสู่ทั้งหลายนิวรนก็เลยเป็นเครื่องกั้นเป็น ที่ครอบงามทอนกำลังปัญญาด้วยกามฉันทานิวร์เป็นเครื่องกั้นครอบงามจิตทอนกําลังปัญญาพยาบาทนิวร์ก็เครื่องเป็นเครื่องกั้นจิตครอบครอบงามจิตด้วยทอนกําลังปัญญาด้วยทีนมิทะนิวร์ก็คอยกลางกั้นครอบงามจิตทอนกําลังปัญญาอุทจักกุกุจะพงสษารลาคาญใจก็เป็นเครื่องกั้นครอบงามจิตทอนกาลังปัญญาวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยก็เป็นเครื่องกั้นครอบงามจิตทอนกําลังปัญญา นิวรณหประการในครอบงามจิตแล้วก็ทอนกําลังปัญญานี่เป็นอย่างนี้เหมือนต้นไม้นั่นแหละใหญ่ล้มละเนระนาดบุคคลเข้ามาบวชในพระธรรมวิ น, ยนัยเนี้อยังรานิวร์เหล่านี้ไม่ได้ละกามาฉันทะพยาบา ท, ทาถีนมิทธาอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาไม่ได้ก็ถูกกรารมฉันทะความติดใจไปกสันพยาบาทความเครียดความโกรธถีนามิทธาความหดหู่ท้อถอยเซงเบือ่อ อุทจจักกุกจากความฟุ้งซ่านลาคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยครอบงำจิตพอครอบงำจิตปุ๊บขึ้นมาก็ทําให้หกล้มละเนรละนาดก็ไม่เจริญไปในศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยเนี่ยนิวรห้าทั้งหลายก็กุ้มรุมอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยนะหกล้มละเนรละนาดแล้วเพิกศูทั้งหลายพวกชงเจ็ประการนี้ไม่เป็นนิวรไม่เป็นเครื่องกั้นไม่ครอบงำจิต บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ทําให้สำเร็จผลคือวิชาและมิวตนก็มีสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิทยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัตสัตถิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและเบกขาสัมโพชงเนี่ยไม่เป็นนิวร์เครื่องกั้นไม่ครอบงามจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งผลคือวิชาเลมิวต์ทีนี้พิกษูทั้งหลายโพชฌง7ประการนี้ไม่เป็นนิวร์ไม่เป็นเครื่องกั้น ไม่ครอบงำจิตที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็เป็นไปเพื่อทําให้แจ้งผลคือวิชาและวิมุติในพระสูตรนี้ท่านอุปมากับต้นไม้ต้นไม้ที่มีกาวฝากใช่ไหมใหญ่เกาะปกคลุมล้มระเนระนาดอุปมาเหมือนกับภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุบวชเข้าไปแล้วเนี่ยถูกกามฉันท่ครอบงำพวกนิวร น, นี้ก็มีลักษณะที่ปิดกั้นครอบงำจิตตรงกันข้ามกับโพ่อชงพ่อชงก็มีลักษณะไม่ครอบงามจิต ถ้สังเกตเวลากามฉันท่พยาบามทีนมิท่อุเทจักกุกุจักวิจิกิจช า, ชาเกิดขึ้นก็มีลักษณะที่ครอบงาจิตจิตโดนครอบงามก็มืดมัวไม่เป็นอิสระโพ่อชงก็ตรงกันข้ามไม่ครอบงามจิตก็สะอาดโล่งสบายเปิดเผยไม่ไม่ถูกขังไม่ถูกครอบงาำนะบางคนเป็นเจ้านายครอบงามบางคนถูกลูกครอบงำบางคนถูกภรรยาครอบงำอะไรเงี้ยนะก็เหมือนกันที่วอนนี่เลย ถอนกำลังปัญญาทำให้หมดปัญญาปัญญาหายไปนิวรนก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายนิวรนหประการนี้ทำให้เหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทำให้ไม่รู้อะไรมีปัญญามืดบอดเป็นไปเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะคือการประชันท่านนิวรนทำให้เหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทำให้ไม่รู้อะไรปัญญาก็มืดบอด เป็นไปฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเออเป็นงย่างนี้นจริงๆนะเพราะเกิดความติดใจฝ่ายกระสานกอบงำปุ๊บเหมือนคนตาบอดไหมพยาบาทนิวรนทาให้เหมือนคนตาบอดเหมือนกันเหมือนคนไม่มีดวงตาเนี่ยแหละทําให้ไม่รู้อะไรมีปัญญาที่มืดบอดเป็นไปฝ่ายความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานทีน้ำมีธานิวรนก็ทำเหมือนเหมือนคนตาบอดนั่นแหละ เหมือนคนไม่มีดวงตาทําให้ไม่รู้อะไรมีปัญญาที่มืดบอดเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานอุทธจากกุกุจ่านิวรนก็ทําเหมือนคนตาบอดเหมือนไม่มีดวงตาทําให้ไม่รู้อะไรมีปัญญาที่มืดบอดเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานวิจิกิจฉาก็เป็นเหมือนคนตาบอดเป็นเหมือนคนไม่มีดวงตาทําให้ไม่รู้อะไรมีปัญญาที่มืดบอดเป็นไปเพื่อความฝ่ายคับแค้นใจไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนิวรนเป็นอย่างนี้ ส่วนนิสพ่อชงตรงกันข้ามเลยนะีสติสามโพ่อชงก็เป็นเหมือนคนมีดวงตาทําให้รู้จเจริญปัญญาไม่เป็นฝ่ายความคับแค้นใจเป็นไปเพื่อพระนิพพานธรรมวิทยาสัมโพ่อช์วิทยาสัมพ่อช์ปีติปัสสติสมาธิและเบิขาสัมพ่อชงเนี่ยถ้าไม่รู้ทําให้จเจริญปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความคับแค้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้เม อ, อถ้าเรามองนี่ก็จะได้เห็นว่าอ๋อเนี่ยเวลาศึกษาคําสอน แต่และอย่างในโพชฌงในนิวรณ์เนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันทีนี้วิธีการที่จะไปเจริญได้เนี่ยที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราแทนทั้งหลายที่กำลังถูกนิวรณครอบงําจะแก้ไขด้วยการเจริญโพชฌงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทํากันแล้วพระเจ้าสอนอะไรพวกเราเราเอาคําสอนพระเจ้าไปใช้เราต้องฝึกได้เนี่ยต้องฝึก ทีนี้ถ้ามองในเรื่องของการฝึกพริชาสอนเรื่องสติสามโพชงเป็นองค์แนงการตรัสรู้ใช่ไหมสติเจตสิกนี่แหละธรรมชาติของสติก็คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นธรรมที่มีอุปการะแก่ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการมีปัญญาตรัสรู้ก็ต้องอาศัยสตินี่แหละอย่างมากสตินี่เป็นกรณีพิเศษ ทั้นสติเนี่ยท่านบอกมีอุปการะมากมากกว่าธรรมะอื่นๆถ้าจะเอาสติสัมโพชงขึ้นก่อนเป็นตัวโพชงที่มีอุปการะต่อโพชงอื่นๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติต้องใช้ในที่ทั้งปวงจำปรารถนาในทุกๆเรื่องเหมือนเกลือเวลาทำกับข้าวเกลือใช้ได้ทุกกับข้าวสาเหตุที่เอาสติโพชงขึ้นก่อนเนี่ยสติสัมโพชงขึ้นก่อนเพราะสติมีอุปการะมาก เป็นกองหนุนช่วยเป็นตัวช่วยได้ทุกเรื่องเลยเนะี่ยโพชงมีเจ็ดใช่ไหมล่ะไม่ขาดแต่ว่าธรรมะที่ต้องการใช้ทุกเรื่องเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของสตินั้นสติจึงมีความสำคัญในการที่จะเอามาฝึกเอามาเจริญเราทำให้มีให้เกิดขึ้นสติเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นองค์แห่งการตัสรู้ สติสามพุทชงธรรมาวิจยะสัมพุทชงก็เป็นธรรมะที่เป็องค์การตัศรุเป็นธรรมาวิจยะเป็นปัญญาวิริยะสัมโพุทชงก็ธรรมะที่เป็นองค์การตัรรญญรส ร, รุเป็นวิริยะคือความเกล้ากล้าปีติสัมโพุทชงองค์การตัสรุคือปีติปัตติสัมพุทชงองค์การตัสรุคือปัตธิความสงบสมาธิสัมพุทชงองค์การตัสรูุ้คือความตั้งมั่นแห่งจิตอุเบขาสัมพุทธชงทำที่เป็นองค์ทำเป็นการตัสรุคืออุเบขาการวางใจเป็นกลาง สติภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติมีปัญญาอันยิ่งเป็นผู้ระลึกได้ระลึกถึงกิจที่ทำไว้นานๆแล้ววาจาที่กล่าวไว้นานๆได้นี้เป็นสติสัมโพชฌงวิทธ ร, รมวิเยะสัมโพชฌงเป็นฉะไหนภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นแหละก็วิจัยเห็นไหมใช้สติเป็นตัวกํากับไว้ก่อนเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าธรรมะวิเชี สัมโพชฌงเป็นองค์ที่สองวิยาสัมโพชฌงเป็นศาสนความเพียรความไม่ยอ่อท้ออันภิกษุนั้นผู้วิจัยเลือกสรรทบทวนสอบสวนธรรมะนั้นด้วยปัญญาแล้วก็ปารบแล้วก็เพียรก็แปลว่าให้มีปัญญาก่อนจึงเพียรทีหลังเห็นไหมปีติสัมโพชฌงเป็นฉไหนะปีติที่ปราศจากอามิ t h เป็นปีติที่เป็นไปในเนคขมะอันนี้เป็นปีติสัมโพชฌงปัสสติเป็นฉไนะ กายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจอับอิม่มย่อมสงบระ ง, งับนี้เรียกว่าปัจสถาสมาธิสัมพอชงเป็นไนะจิตของภิกษุผู้สงบที่กายสงบผู้มีความสุขย่อมตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสัมพอชงอุเบกขาสัมพอชงเป็นไนะก็คือวางเฉยนี่ด้วยดีซึ่งจิตตั้งมั่นอย่างนั้นแหละเป็นอุเบกขาสัมพอชงเนี่ยอันนี้ในพระสูตร ทีนี้พูดถึงในเรื่องของสติสัมโพชงพิกษุน์ในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญายิ่งเป็นผู้ระลึกได้ตามระลึกได้แม้กิจที่ทําคําที่พูดไม่นานได้เป็นต้นเหล่านี้ยนี่เป็นลักษณะของสติสติเวาลาระลึกได้เนี่ยนีย่ได้ฝึกได้ทําสติเก็บชํานาญทางสติไว้เยอะสามารถที่จะฝึกได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ย ในลากษะของสติสติก็อยู่ประการต่อปัญญายิ่งเป็นต้นทีนี้ประเด็นก็คืออยู่ตรงที่ว่าวิธีการเจริญเนี่ ย, นยในเรื่องขององค์แห่งการตัดสู้เกี่ยวในเรื่องของพอดชงเนี่ยเป็นเครื่องที่เราจะต้องมาวัดในกรณีที่จะมาฝึกสติสามพอดชงความสามารถในการทวนระลึกนึกถึง หรือกลมจิตไว้กับสิ่งที่ทำที่เกี่ยวข้องในเวลานั้นนั้นโพชฌงนี้ก็คือมีสติก็คือความหมายก็คือคุมตั้งแต่การมีสติกากับอยู่กับตัวใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำกำลังพิจารณาเฉพาะหน้าจนถึงการระลึกนึกรวบรวมเอาธรรมะที่ได้สดับมาเรียนมาที่เกี่ยวข้องเยเอามาใช้ทำ นำมาเสนอต่อปัญญาให้ปัญญาตรวจสอบให้ปัญญาพิจารณาพอเข้าใจตรงนี้ไหมสติเลยทำหน้าที่หลายอย่างเลยสตินั้นเป็นตัวเก็บด้วยใช่ไหมเป็นไม่เป็นเก็บข้อมูลด้วยระลึกโดยดึงข้อมูลด้วยคือสัญญาเก็บไว้สติก็ดึงข้อมูลไม่ปัญญาตรวจสอบวิจัยแยกแย ะ, แยะใช้บ่อยไหมใช้สติบ่อยไหมบ่อยไม่บ่อย สติเนี่ยก็เรียกเตมัสตินซีก็ได้ไหมสติปฐานกับสติที่ปารบมีการสติในครองตัวที่ยวดยิ่งก็คือสามารถระลึกทวนถึงกิจที่ทำคําที่พูดแม่นานได้หน้าที่ของสติก็คือการดูแลและกํากับจิตไว้อุปฐานนะก็คือหมายความว่าความระลึกได้กํากับใจไว้กับกิจนึกถึงสิ่งที่พึงกระทําพึงเกี่ยวข้องได้สติก็จะระลึกในลักษณะนี้ ประการต่อมาคือธรรมวิทยาสามโพชงธรรมวิจัยก็คือการเฟ้นธรรมะก็หมายถึงการใช้ปัญญาสอบสวนพิจารณาสิ่งที่สติกําหนดไว้หรือธรรมะเนี่ยที่สติระลึกรวบรวมมานําเสนอนั้นตามสภาวะเช่นไตรตรองให้เข้าใจความหมายจับสาระของสิ่งนั้นมาพิจารณาให้ได้ตรวจตราเลือกเฟ้นเอาธรรมะหรือสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจเนี่ย หรือสิ่งที่ใช้ได้ให้เหมาะดีที่สุดนั่นแหละในกรณีนั้นนั้นมองเห็นอาการที่พิจารณานั้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจตามสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ตลอดถึงปัญญาที่มองเห็นอริยสัจอันนี้เป็นเรื่องของธรรมวิจยาออถ้ามองางนี้ก็จะได้เห็นว่าโอ้ไอตัวสติเนี่ยมันดึงข้อมูลเนดึงมาให้ปัญญาสอบสวนมาวิจัยแยกแยะเคยดึงไหมเวลาเราเระลึก ถึงหัวข้อของธรรมะมาแล้วก็มาสอบสวนมาพิจารณามาแยกแยะนี่เขาเรียกใช้สติเนี่ยเราจะใช้ค่อนข้างบ่อยไหมพอนึกถึงทุกนึกถึงเหตุให้เกิดทุกนึกถึงนิโรธคือความดับทุกนึกถึงมรรคคือข้อปฏิบัติก็ใช้สติเนี่ยเป็นตัวระลึกใช้บ่อยไหมนะตรงนี้ก็ฝึกต้องฝึกที่จะใช้ฝึกที่จะทาให้ตัวสติมันเกิด นี่ต้องฝึกแล้วนี่เป็นเรื่องของตัวสติให้ปัญญาได้สอบสวนวิจัยวิริยะก็ความเพียรความแกล้วกล้ า, ลาความเข้มแข็งก็เตือนรถนในธรรมะหรือสิ่งที่ปัญญาเป็นอาถารในความดีมีกำลังใจสู้จิตบากบัน่นรุดไปข้างหน้ายกจิตไว้ไม่หดหูไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ใช้บ่อยไมเดี๋ยวนี้ น้อยเลยก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมดิด ถ, ถ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องแกล้วกล้าเนะี่เข้มแข็งกระตือรือร้นเป็นคนกระตือรือร้นไหมเฉยชาหรือกระตือรือร้นอันนี้ไม่มีธรรมะอันนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นต้องกระตือรือร้นเป็นเรื่องทางใจนะกระตือรือร้นเรากต็ตือรือร้น การไม่นอนเป็นเรื่องกระตือรือร้อนอย่างหนึ่งนะลระยกจิตตลอดแม้กระตือรือร้อนเนี่ยก็เรื่อกร ะ, ะตือรือร้อนนะใช้มโนกรรมเยอะมาก ต, ตลอดไอ้กายนั่งอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหยแยกแยะหมดคิดทุกเรื่องเลยเนี่กระตือรือร้อนนี่มากไปมากไปีเพียนจัดปีติก็คือความอิ่มใจนะ หมายถึงความเอบอิ่มปราบปลื้มนี่แหละดื่มด่ำซาบซึ้งช่มชื่นซาบซ่านฟูใจฟูขึ้นเนีเป็นบ่อยไหมมีปิติในธรรมบ่อยไหมหรือปิติในกรรมปิติในกามไม่เอานะเราไปเสวยกรรมมาคุณเสพกามมาคุณแล้วโอ้โหยชอบติดใจติดหรอติดใจเนะ่ชื่นใจนะไม่เอาปัสสัธกถานะความสงบกายใจผ่อนคลาย กายใจสงบระงับเรียบเย็นไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายเบาสบายเคยเป็นไหมตัวนี้เคยไหมแต่เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาได้ได้ประสัทธิกับเขาบ้างไหมได้ตอนไหนอตอนไหนบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยใช่ไหมถ้าตัวนี้ได้ควรเจริญบ่อยๆสมาธิก็คือใจตั้งมัน่น มีอารมณ์หนึ่งเดียวจิตแน่วแน่แต่อสิ่งที่กำหนดทรงตัวส ม, ม่ำเสมอเดินเรียบอยู่กับกิตไม่วอกแวกไม่สายไม่พุ้งซ่านมีบ่อยไหมตัวนี้ยทำอะไรจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นตั้งมั่นมีความสุขด้วยเป็นไหมเป็นอ่านหนังสือในี่สุขใจเป็นไหมออ อุเบกขาความวางท่าทีเฉยความมีใจเป็นกลางสามารถวางเฉยเรียบนิ่งดูไปในเมื่อจิตแน่วแน่อยู่กับงานแล้วก็สิ่งต่างๆดำเนินไปตามแนวทางที่วางไว้แล้วหรือที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่สอดแสไม่แทรกแซงปล่อยเฉยวางใจ <th> เคยเป็นไหมไอความรู้สึก <ทำ S 1> แบบนี้เคยไม่เคย ไม่เคยเลยอ๋อะอ ะ, อะเดี๋ยวเดินตรงนี้หน่อยเดินนิวอนก่อนอ้นิวอนเนี่ยมีห้าแต่ก็แบ่งเป็นสิบด้านตามมาชันท้าภายในเคยมีไหมปารบ ขันของตนเองไปลบกับชีวิตจิจตใจตนเองแล้วก็เกิดติดใจไฟกระสันเคยไหมพอใจพอใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองพอใจความรู้สึกของตนเองเพื่อเพลินอยู่เคยพอใจหอไหม่อยเคยมีไหมอ้าวพอปรารบขันคนอื่นเนี่ยพอใจในนึกถึงคนอื่นนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงใครก็แล้วแต่ชื่นใจเป็นไหมนึกถึงบ้าน นึกถึงที่อยู่นั้นสุขใจเคยเป็นไหมอันนี้ ก, ก็เรื่อกรรมมาฉันทักควรเจริญหรือควรละควรละหรือควรเจริญฮะควรละเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเรารีบละเลยหรือเปล่าหรือว่าเปิดปล่อยต่อเลยในชีวิตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องผิดก็เรียกปฏิบัติผิดธรรมะที่ควรละต้องกําหนดมัน ไอ้คำว่าควาล้านในที่นี้ต้องนู่นแล้วต้องไปปฏิบัติข้อที่สี่นะอริยสัจข้อสี่ไม่จะมาปฏิบัติข้อนี้พยาบาทภายในเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมพยาบาทภายในในอัตภาพตนเองในเสื้อผ้าของตนเองในที่อยู่ของตนเองอะไรเคยไหมมึงยินอะอลำคานยังลำคานไหมบางทีนอนนอนอยู่ลำคาญขาตัวเองอะเคยไหมมันเมื่อยอยู่เลยมันปวดอยู่เรื่อยเคยไหมเออนี่ยแหละเขาเรียกพยาบาทภายใน เคยเป็นใช่ไหมเออนั่นฮนะพยาบาลไอ้พยาบาลคนอื่นเคยเป็นไหมภายนอกโกรธบ่อยธีนะภายในซึมนะทอ้อถอยมิถาอินปินภายนอกเบื่อภายนอกเบื่ออากาศบ้างเบื่อเลยสรพัดหมดอุทจจะฟงศาน กุกฏะล้ำคาญใจวิจิกริชฌาในทําภายในวิจิกริชฌาในทําภายนอกไม่ไม่บอกรายละเอียดเรื่องสติอะสติในธรรมะทั้งภายในนะทั้งหลายในภายในสติทั้งในภายนอกก็เจริญได้นะพิจารณาถึงตนเองพิจารณาของคนอื่นระลึกนะ ธรามวิจยะพิจารณาขันของตนเองกต่ขันของบุคคลอื่นเพียร น, นะความเพียรทางกายกับความเพียรทางใจปิติมีวิตกวิจารปิติไม่มีวิตกไม่มีวิจารกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิทั้งหลายเราเนี่ยนะสมาธิที่มีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารอุเบข า, ท, า, ขาที่เป็นในภายในเบขาที่เป็นภายในภายนอกเนี่ยลักษณะเนี้ยตั้งมองยี ก, กระกาวถึงอาหารเราต้องไปเรียนรู้เรื่องการมาฉันทะนี่นะ เขามีอายุนิสซมนัิการในอสุภานิมิตเธอคิดสวยๆงามๆมองเห็นสวยๆงามจับใจรูปรักษที่ชอบกําหนดหรือคิดวาดภาพมีสิ่งที่สวยๆงามๆไว้ในใจเนี่ยคิดแบบนี้การไปฉันทามันเกิดบ่อยไหมละ่ะชอบปรุงแต่งของสวยๆงามๆเป็นไม่เป็นจินตนาการเพลงจินตนาการเสียงเป็นยานากินรสทั้งหลายอะไรเนี่ยที่สวยๆงามๆเพลินบ่อยไหม ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เนะี่ยอย่างอื่นล่ะรูปที่สวยๆเสียงที่เพรา ะ, เพาะกลิ่นที่อมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆ จ, จิตจินตนาการคิดไปเงี้ยเรียกอะโยนิโสในสุภนิมิตเนี่ยเป็นเหตุทําให้ให้อาหารของเขาให้อาหารการมอาจารท้าจึงไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญอย่างไปบณ์พยาบาทล่ะอาหารงเขคืออะไร คิดในเรื่องอะไรพยาบาทถึงเกิดคิดในเรื่องปฏิฆะนิมิตสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นการกระทบกระทั่งใจคือพบเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดแล้วใจจับแค่รูปลักษณ์ที่ไม่ชอบก็กำหนดหรือคิดว่าเป็นภาพที่มุ่ง ม, มากระทบตัวเองเราไปคิดต่อเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็มากระทบใจตัวเองตลอดนึกถึงรูปลักษณ์ที่เราไม่ชอบเนย เช่นว่าไอคนคนเนี้ยมันเหมือนอาจารย์เห็นบอมไปใส่จีวรมาที่บอมบอกวันไปตากเนี่ยว่าเอาตัวอื่นมาก็ได้บอมมอไม่ไปเนี่ยถ้าอาจารย์จะคิดไม่ดีปุ๊บปฏิฆาเกิดกับอาจารย์เลยแต่ถ้าบอมคิดไม่ดีปฏิฆาก็เกิดกับเจบออ้าบอมเหมือนกันเข้าใจยังก็เกิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้บังคับเลยกูเป็นกูนเนอย่างนี้เป็นงนี้มาตั้งนานแล้ว เอามาอยากจะพาจะจะแก้ผ้าฟังเลยซ่าไปเรื่องนี้คิดร <c oughs> ้อนนั่นกันยันเป็นชั้นอย่างเงี้ยเนี่ยรักตั้งเนี่าเป็นนี่เป็นทิฏฐิไหมเมื่อกี้ก็ต้องระวงังทีน้ำมิท้ามีอะไรเป็นอาหารมีอะไรอ่ะในอะไร คิดยังไงถึงจะเป็นถึงจะหดหู่ถึงจะซึมคิดในความเบื่อใส่ใจในความเบื่อในความซึมเศร้าในการเมาอาหารทําให้จิตหดหู่คิดซึมเซ็งเบื่อคิดไปเรื่อยๆคิดในเรื่องที่น่าเบื่อน้าเซ็งคิดไปใส่ใจไปใส่ใจไ ป, จไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวทีน้ำมิถ้าก็จะมีกําลังถ้าใส่ใจในสิ่งที่ปล่อยจิตเนี่ยทให้จิตปลอดโปร่งโร่งจากการบีบคั้นนี อันก็ตรงกันข้ามยี่ตรงกันข้ามอุทกกจากกูกจามีอาหารคืออายนิสซอไม่ไดการคือในเรื่องที่ทําให้ใจไม่สงบลองลองคิดดูดิคิดที่จะเป็นเหตุทำใส่ใจที่เรื่องที่จะไม่สงบคิดในเรื่องที่จะทําให้ฟุ้งอ่ะใส่ใจไปเรื่อยๆสิโอ้ฟุ้งใส่ใจในภาพยนตร์ใส่ใจใ น, น ใ, จในใ น, ในเรื่องราวที่เราอยากไปเที่ยวเราอยากจะไปตรงนู้นเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เนี่ย ไปที่โน่นแต่จะสบายดีนะคิดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเรื่อยรือย่อย่างคิดไปทีใช่ไหมคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้คิดใส่ใจไปเรืเ่อยเรืรืให้มันเพลินไปเบื่อเซ็งตรงเนี้ยอยากจะไปก็มันไม่ได้ไปอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวก็เลยใช้ใจคิดไปเฉลยบางอะไปจินตนาการไปเรืเเเ่อยเรื่อยเอยย่างนี้อยากเกิดไหมเกิดฟงไม่เหลือมันอยู่ที่เราให้อาหารมัน เราไปให้อาหารมันก็ไปใหญ่เลยแต่เนี้ยมันก็มีกําลังไมนัเข้าก็ไม่รู้ตัวสิ่งตัวนี้กลายเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นสัญชาตญาณกลายเป็นความเคยชินแล้วก็กลายเป็นคนแบบนี้ไปโดยปริยัเหมือนคนบางคนเนี่ยเห็นอะไรก็กำหนัดยินดีหมดนัเขา้านัเข้าเห็นคนแก่จะตายยังกำหนัดยินดีได้ออขนาดนั้นคิดแง่คิดใส่ใจไปจน็นจงตกลายเป็นคนคนตัณหามีกําลังหรือบางคนคิดให้กโกรธก็ไนดะ้คิดมองแง่มันจะให้กโกรธ มองทุกมุมแบบที่มันจะ น, น่าเกลียดมองนี้ไม่เห็นมองอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งไม่เห็นอีกมุมหนึ่งน่าเข้าวาดระแวงแล้วไอ้นี่คงชั่วมาดีคนหน้าตาแบบนี้ไว้ใจไม่ได้คิดจนโกรธไม่ให้ได้เนั้นเถอะน้าเข้าน้าเข้าก็กลายเป็นอัธยาศัยของตนเองไปเลยไม่รู้ตัวเลยเคยเป็นไหมละ่ะไอคิดแบบเนี้ยหลายคนก็เป็นกันใช่ไหมคนในทุกวันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ วิจิกิจฉาก็คืออโยนิโสมนัสิการในธมมามะก็คือการเรื่องราวหรือสิ่งที่เป็นที่ตั้งวิจิกิจฉาคิดลังเลสงสัยคือไม่ปากใจเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละแต่ําลังเลสงสัยไอ้จะประพฤติปฏิบัติจริงๆเราคงไม่ไหวหรอกไอ้จะออกไปกอ็ออกไปก็หน้าเบือ่อก็อยู่อย่างเงี้ยไอ้จะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติก็เจอทางจะไปก็ไมไปอยู่อย่างเงี้ย เลยไม่รุดหน้าในมรคาของพระชินพระเจ้าเลยเคยเป็นไว้แล้วรังเลยสงสยัยพอทำท่าไปทำหน่อยแต่นิดเดียวอ้เบื่อเซ็งเนี่ยวนอยู่อย่างนี้และจิตก็อยู่กับวิจิกิจช้าเนี่ยโมหามีกำลังนีเป็นต้นอาหารก็โยนนิสัในทำที่เป็นกุศลนากุศลเนี่ยในทำที่มีโทษแล้วไม่มีโทษมันจะแก้ได้เนี่ยต้องไปคิดอย่างนี้ เอาต่อไปก็คือในเรื่องของอาหารและอนาาหารของโพชฌงก็คือสติมีอาหารคือโยนิโสมนัสการในธรรมที่เป็นที่ตั้งของสติอนัสกายัางไงทําเป็นที่ตั้งของสติคือธรรมที่เป็นอารมณ์ของสติก็ได้แก่โพธิปักขคียธรรมสามสโลกุตระธรรมเเป็นต้นเหล่นี้เนะีการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็บอกว่ามีสติสัพชัญญะ เว้นจากคนที่มีสติเลอะเรือนขรอหาแต่คนที่มีสติทําใจให้น้อมไปในสติสาวโบชงเป็นต้นสรุปก็คือว่านี่แหละการที่จะปึกก็คือว่าแล้วระลึกในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณบ่อยๆเนี่ยสติจะเกิดดีไหมฟังอะไรอ่านอะไรศึกษาอะไร เ, เสร็จก็เอาเรื่องนั้นมาระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆไม่ให้ปัญญาตรวจสอบบ่อยๆนี่เป็นต้นสติก็เกิดนี่เรียกให้อาหารสติสติไม่เกิดขึ้นโดยชนิดที่ปล่อยปล่าลลนั่นเลยนะต้องให้อาหารเขาตลอด เห ม, mm hmm. มือนร่างกายเนี่ยเราก็ต้องให้อาหารแต่ประเด็นก็คือมนุษย์เราทุกวันนี้โดยมากเราไปให้อาหารก้องกิเลสใช่ไหมเราเราไปให้อาหารก้องกิเลสกิเลสก็เฟื่องฟูใหญ่เลยแต่เนี้ยโดยมากเราไม่ได้ให้อาหารก้องสติกันใช่ไหมเห็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆก็ไม่ฝึกไม่พยายามฝึกให้สติกทำมาวิจัยสัมโพ่อชองอโยนิสงฆมรณาการยในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษแล้ไม่มีโทษเจประการนะความเป็นผู้นักไต่ถามสอบค้น ในสิ่งต่างๆให้หมดจอดสดใสปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอหลีกเลี่ยงคนที่มีปัญญาสามสมาคมเสวนาคนมีปัญญาพิจารณาเรื่องที่ต้องใช้ปีชาที่ลึกซึ้งมีใจน้อมไปในการวิจัยธรรมะฝึกวิจัยบ่อยๆเรียนรู้เรื่องอะไรก็มานั่งสองเคราะห์นั่งวิคิดนั่งแยกแยะทำบองแม่มยางแบบนี้เวลาอ่านเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรไปก็ไปตามคิดบ่อยๆตรึกบ่อยๆใครควรบ่อยๆเป็นหม เ็นไม่เป็นเรื่องนี้ฝึกสิจะฝึกอย่างนี้ปุ๊บปแปลว่าเราให้อาหารของปัญญาสติและปัญญาก็นันก็ทำงานเหมือนในเต็มธรรมวิจัยวิริยะก็คือโยนิโสมนสการในความรเริ่มในความก้าวหน้าในความบากบัน่นก็คือการพิจารณาถึงภัยนะภายในใบยภูมภัยในการเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์ราชานเปตอสุรกาย ปกใจถ้าไม่พยายามจะประสบอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ยันเป็นนะแต่ฝึกอย่างเนี้ยโอ้แต่เราไม่เร่งคนการมองเห็นอานิสงส์ของความเพียรพยายามให้ประสบค น, นวิเศษมีโลกยาโลกุตระท่านพระเจ้าเนี่ยโอ้แต่บรรลุ ก, ก็เพราะความเพียร น, นี่แหละภาษารีบุตรพระโมคคารนะทั้งหลายก็เพราะอย่างเนี้ยการปฏิบัติเป็นทางดําเนินของผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้ามหาสาวกทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะถ้าเกียรติค้านอยู่ก็จะไม่สําเร็จแน่คารบในหะและบินาบาท ได้อาหารมาโอ้เนี่ยเขาถวายอาหารให้เรามาเพื่อบำเพ็ญความเพียรนะมากินอาหารไม่ใช่มานั่งนอนหลับมานั่งฟุ้งนะไม่ใช่เป็นทำกิเลสให้เกิดขึ้นนะเราไม่สมควรจะเราเลยเนี่ยามานั่งกินอาหารไปวันวั น, ว น, ว น, วนเนี่ยไม่เคารพเนะี่ยไม่เคารพอาหารวินนบาตเคยเป็นไหมล่ะกินอาหารเข้าไปเบสเสร็จก็ไปทําชั่วโอ้โหน่าละอายใจแท้พอมีกําลังหน่อยเรคิดทําชั่วเลยจะทําทบาปให้เกิดขึ้นเยเคยเป็นไหมห้ามทํา เขาอยากไม่เคารพในอาหารวินาบาทยอมันก็ให้มีแรงเพื่ออะไรเนี่ยเจอก็ให้อาหารมาเพื Stop ่ออะไรเออฝึกต้นเองเดี๋ยวเราจะมาทําในสิ่งที่ไม่ควรโอ้เหล่านี้แย่มากๆเลยคนนั้นใช่ไหมกินอาหารชาวบ้านบอกมีแรงหน่อยพฟงใหญ่เงี้ยก้ามฉันท่าเกิดใหญ่พยาบาทเกิดินถีนมิท่าอุเทียร์กุกุเจาวิจิกิจฉาโอ้โหมุ่งไปหมดก็โหมันก็อย่ากินมาเลยว่า กินแล้วมีแรงทาชั่วดีนะดีไหมแบบนี้ <c oughs> อ้จริงๆบางคนก็ทําอย่างนั้นเลยเนะมื่อกินแล้วมอยากมีแรงทาชั่วดีนะไม่กินตัวน้อนมันหมดแรงพระงาบพะง่าบอยู่นั่นนะ <c oughs> บอมดำเง น, นะเดี๋ยวพอมีแรงเข้ามาก็มันั้งฟงุ้งอยู่นี่แหละเนพะือนเตือนใจยยตัวเองเลยเตือนได้ไหมจ่ายมันก็มีแรงไม่ได้มันนั่งฟงุ้งเลยนะมึงคน อย่างเงี้ยภาวะก็คือว่าพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดานะว่าพุทธเจ้าสรรเสริญความเพียรเราควรบูชาอุปการะของพระองค์โดยการปฏบิบัติบูชานะพิจารณาภาวะที่ตนเองควรทําตัวให้สมกับการที่ได้รับมรดก ค, คือศรัทธามันยิ่งใหญ่ด้วยการบรรเทาทีนะมิท้าโดยวิธีต่างๆเช่นการเปลี่ยนเอียบบททำอโลกัสัสญญาเป็นต้นหลีกเว้นคนที่เกียจค้านคบหาคนที่ขยันพิจารณาในส ม, มประทานอ้ นะครั บ, นะรบวิริยะเกิดเต็มเลยนะ่ยธรรมที่ทำให้เกิดปีติก็โยนิสงมราจการถึงสิบเอ็ดเรื่องพิจารณาถึงพุทธคุณเคยเลือกไหมเลือกบ่อยๆเลือกบ่อยๆต้องจะฟงให้ฟงเรื่องนี้บางทอยากฟงดีนะักไปแต่ไหวไหมหปีติเกิดทั้งวันเลยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยได้หมดแหละเลือกถึงศีลก็ได้ การประพฤติดีงตัวเด้งด้วยแล้วลิถึงการที่ตัวเด้งได้สละทานก็ได้นะลึกถึงเทวดาก็ได้เทวธรรมนะลึกถึงพันธิพานก็ได้หลีกเว้นคนชั่วมัวหมองเสวนาคนที่แจ่มใสพิจนาพระสูตที่น่าเลื่อมใสนําไปนําให้เกิดปิติได้ทั้งนั้นเนี่ยหลักการในการทําปิติเกิดปิติเกิดง่ายหรือไม่ง่ายเกิดง่ายก็พุทธเจปัสสตีเนี่ยแสดงว่าเจ็ดประการนะเศพภชนะอันประณีต ถ้าต้องอยากได้ความสงบเนียอาหารต้องปลาเนียดนะเสพบรรยากาศที่สุ ข, ขุมสบายเ <c oughs> ออเดี๋ยได้ความสงบแล้วแล้วก็อยู่ในยาบทที่สุขสบายชอบยาบดไหนย่าบทไหนที่สบายอ่ะย่าบทไหนคืออยู่แล้วมันรู้สึกสงบไหมยาบทไหนนั่งสงบไหมสงบหรือไม่สงบมัน เดินล่ะค่อยๆเดินผ่อนคลายยืนล่ะแล้วนอนล่ะนอนสบายไหมอ๋อก็นอนทั้งคืนแล้วไม่มใช่หรือไม่พอได้นอนทั้งคืนไหมทั้งคืนไหมก็เห็นเป็นนั่งอะไรก็ไม่รู้กอกแกกอกแกกก็อยู่เนี้ยอันนั้นเป็นท่าสบายที่สุดเลยเป็นสัพยาของหนูนเลย ตั้งเสรอียร์ปที่สะพายันเนี่ยจะทําให้เกิดแล้วก็เพียนพอปานกลางอย่าเพียนเยอะแล้วปรารถนาจะให้ปสัสธถเกิดแล้วก็อย่าไปคบคนกระสับกสายอย่างใครเดียวบางคนอย่างกระสับกรสายอเอาใครอะอยู่ให้เป็นที่อ่ะฮะ อยอะๆที่ครบคนแบบนั้นครอบคนที่สบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยนี่ยครอบคนเงี้ยเนี่ยครอบอย่างนั้ น, น, า น, นหาหาคนแล้วก็ไปคุยเขาไปบ่อยๆกับคนนี้เสวนากับคนที่ผ่อนคลายสงบแล้วก็น้อมใจไปในปัจ ส, สถานที่ถึงเรื่องสงบของใจมนานัสิกาตลอดเนี่ย เออเราจะผ่อนคลายกายและใจยังไงผ่อนคลายกายและใจยังไงเออบางทีนั่งดูลมหายใจผ่อนคลายมากเลยเนาะนั่งสงบใจผ่อนคลายโอ้มีความสุขนั่งก็มีความสุขดูลมเข้าลมออกใช่ไหมเพราะมันมณฑิการก็ถึงสมาธิด้วยแล้วก็ผ่อนคลายด้วยไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรใจจะไปทางนั้นก็ดึงกลับมาผ่อนคลาย ลับสบายสบายมีความสุขไม่ได้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ดีไหมดีนั่นเป็นนั่งถ้าน้ำมองน้ำไหลใจก็สบายใช่ไหม <c oughs> ก็ไปนั่งตรงนั้นดได้ไหมเคยไปนั่งไหมได้ไหมได้ความสงบไหมฮะเออไปบ่อยๆลอย แล้วก็ทำที่ช่วยเกิดสมาธิสำโพชงก็สบอประการก็คือมณสิกานก็คือทำสิ่งต่างๆให้หมดจดสดใสสิ่งแวดล้อมห้องต้องสะอาดบรรยากาศอะไรสะอาดรราาอะไรนี้แล้วก็ฉลาดในนิมิตคือฉลาดในนิมิตที่จะมาใช้ในการระลึกปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ คำว่ า, าปรับอินซีให้สม่ำเสมอคื อ, อยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะท่องได้เลยจะปรับไม่ได้สติสติละให้เสมอกันเลยสติต้องทำให้มีกำลังไอ้ทีมฟงเนี่ยว่าสติอ่อนกำลังปรับอินซี แล้วก็ยกจิตข่มจิตในเวลาที่ควรขม่มเอาเวลาไหนควรขม่มไม่ใช่เวลาไหนเวลาไหนควรขม่มมอมเวลาไหนควรขม่มข่มจิตเวลาไหนยกจิตในเวลาที่ควรยก เิกสูตทั้งหลายสมัยใดจิตพ้งสั้นสมัยนั้นไม่ใช่การสําหรับเจริญธรรมวิจญาณสมโพธชงสมัยนั้นไม่ควรเจริญวิญญาะสำโพธชงสมัยนั้นไม่ควรเจริญปีติสัมโพธชงข้อนั้นเพราะอะไรเพราะจิตที่พ้งสั้นยากที่จะสมบูรณ์ได้ทำหรอกนั้นเข้าใจไหมงั้นอย่าไปเจริญธรรมะอย่าไปคิดอย่าใช้ปัญญาในช่วงนั้นอย่าไปใช้ความเพียรในช่วงนั้นอย่าไปปาลบุทธคุณในช่วงนั้น มันไฟใหญ่เลยแต่เนี้ยช่วงนั้นมันจะสงบไม่ได้ว่านฟุง้งซ่านยากที่สงบได้ทำไม้เหล่านั้นเหมือนบุรุษต้องการจะดับกองไฟใหญ่ก็ใส่หญ้าแห้งโคลไม้เข้าไปอย่างเงี้ยนะเอาไม้แห้งแห้งใส่เข้าไปแล้วเอาลมไปพัดไปเป่เปาอีกไม่ลอยฝุ่นลงไปในไฟก็จะสามารถบุรุษนั้นก็จะสามารถดับไฟได้เวลานั้นก็ควรลยอยฝุ่นนั่นแหละเพางั้นสมัยดจิตฟุ้งซ่านเป็นการที่จะต้องเจริญปัจจุบั น้องก็ไปหาความสงบควรเจริญสมาธิตั้งจิตมั่นนะในกรรมฐานสมัยนั้นควรเจริญอุเบกขาเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านน่ะให้สงบระ ง, งับได้ได้ธรรมะเหล่านี้แหละต้องการจะดับไฟก็เอาญ้าสดใสเข้าไปเอาขี้วัวขี้ขี้วัวสดสดใสเข้าไปเอาไม้สดใสเข้าไปเอาน้ําใส่เข้าไปร้อยฝุ่นเข้าไปปุ๊บนี่ไฟดับเลย นั้นจะโป้งซ่านให้ใส่อะไรปัตสัตทีสมาธิอุเบกขาให้มนัสการนึกธรรมะสามตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ได้จะสงบได้จําได้ยังเนี๋ยวนเอาไปฝึกนะฝึกให้มันได้ฝึกไม่เป็นมาบอกมาถามว่ามันไม่เป็นเนี่ยมันมันสงบไม่ได้ว ง, งั้นเด้อน้อมยังไงอะ่ะทำไมไม่ถามมันน้อมยังไง ถ้ามันฟุ้งเยนน้อมยังไงคิดถึงอะไรอ่ะแต่แต่ฟุ้งก็คิดถึงอะไรแคิดถึงอะไรเวลาฟุ้งเนี่ยเวลาฟุ้งสร้างลำคันเนี่ยคิดถึงอะไรทําไงถ้าฟุ้งทําไงบอมที่แก่อ่ะที่เคยทํามาทั้งหมดทำยังไงเวลาเกิดฟุ้งขึ้นมาทํา อาทีพูดทีทำไงเปลียป่ยนยังไงที่ทำมาแล้วมันได้ผลนะทาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนียาบทเปลี่ยนเรื่องแล้วไปเรื่องอะไรต่อเพราะจิตมันหยุดไม่ได้ไปเรื่องอะไรต่อ อันนี้ถูกไหมถูกตามที่พุทธย่าบอกไหมถูกไหมสมมติเราฟุ้งอยู่ใช่ไหมก็เลยไปเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นถูกตามที่พุทธย่าบอกไหมอ้าทพุทธิย่าบอกว่าไงทำยังไง อ, อันแรกที่บอกปัิทิคือต้องเสพใช่ไหมเสพโภชนะที่ส ป, ปายะที่ประณีตกับตนเองแล้วก็อากาศอยู่ในอากาศที่สบายอยู่ในยาบทที่สบายประกอบความเพียรปานกลางแล้วก็ไม่ไปหาคนกระสับกระสายไม่ไปคิดถึงบุคคลที่ฟุ้งซ่านพูดมั่วทั่วไม่เอาแล้วก็เซวนากับคนที่ผ่อนคลายและทำใจให้น้อมไปหาความสงก น้องไปหาความผ่อนคลายเรื่องอะไรที่เราคิดแล้วแล้วใจเราสงบดีที่สุดเรื่องอะไรมีไหมในในในโลกใบเนี้ยที่เราคิดไปแล้วในใจเราสงบเห็นไหมนี่้นึงปรับถ้ามัน น, นั่นตอนนี้ไปเสร็จก็มาปรับอินทรีย์อีกทีหนึง่งอ๋อศรัท ธ, ธากับปัญญาเป็นยังไงน้อง คำว่าปรับก็คือเพิ่มศรัทธาเพิ่มศรัทธาอย่าให้ปัญญามันอย่าให้ทิฐิมันกล้าเกินไปเพิ่มศรัทธาในพระราตนตรัยเพียนกับสมาธิเฮ้ยอย่าให้เพียนเยอะให้สมาธิเด่นก้าไว้ไปมาถ้าก็พิจารณาถึงสังเวชเออเออพิจารณาถึงว่าใจเนี่ยสุขสดชื่นเนี่ยทำ ให้ร่าเริงด้วยศรัทธาให้สังเวชทําจิตให้ดําเนินไปด้วยดีเนี่ยแล้วก็วางเฉยคอยดูอยู่เนี่ยหลีกบุคคลที่ไม่มีสมาธิเสวนาคนที่มีสมาธิเสียแล้วก็น้อมใจในความสงบแล้วต่อมาก็วางอุเบกขามนนิการถึงวางเป็นกลางที่เราคิดเนี่ยวางเป็นกลางกับสัตว์ทั้งหลายมีเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยวางงี้ยวางใจเป็นกลางในสังขารมันจะเป็นอะไรช่างหมวนเถอะ อย่ไปกังวลกันมาเลยเดี๋ยวกัความร้อนขึ้นวิตกกังวลเดี๋ยวก็ความหนาวขึ้นเลยวางใจเป็นกลางเลยตายก็ไม่เป็นไรแล้วปล่อยมันไปนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนใจจิตสงบไอย่างเงี้ยเออเงี้ยนะพิจารณาความเป็นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลายแค่เนี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปกระตือรือร้อนไม่ต้องไปกลัวกังวลอะไรจะตายก็ปล่อยตายไปเล ย, เลย ใจวางใจได้คิดพิจารณาจนเข็นทองแท้เป็นเสร็จก็ไม่ฟุ้งมันแล้วจะสงบได้ไหมแบบเนี้ยได้มันแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้เอาไปอ่านให้เกิดความเข้าใจฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกปรับตัวเองเนี่ยปรับอินทรีย์เนี่ยเ อ, อีปรับว่าละไหนเราเราจเจริญผิดนี่ส่วนนัน้นนัอ่ะไอจีโททูลเนี่ยใช่ไหมบ่อยใจไม่ใช่ จ, จ็จดจิตหดหูเจ็ดท้อถอยบ่อยนี่เวลานั้นควรเจริญอะไรสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นไม่ใช่การสําหรับเจริญปสัสสธิไม่ใช่ไปเจริญสมาธิไม่ใช่เชเจริญเกขาเพราะว่าจิตหดหูยากที่จะฟื้นได้โดยธรรมะเหล่านี้เหมือนบุรุษต้องการที่จะหมหรือจะหมไฟมันลุกไงไฟกองเล็กให้ลุกดันเอาดันเอาน้ําไปศสาดใส่ ดันเอาหญ้าสดไปใส่เอาฝุ่นไปโรยลงก็เรียบร้อยดับไหมเนี่ยพราะสมัยใจจิตหดหัวเป็นการสําหรับเจริญธรรมะวิ จ, ยวจัยปัญญามันต่ําก็พิจารณาเยอะๆสมัยนั้นต้องเพียรต้องแกล้ากล้าต้องบากบัน่นต้องเจริญปีติเอาพุทธคุณมรลุคุธรรมคุณสังขคุณเป็นต้นพอทำปุ๊บเนี่ยจิตหดหูวจะหายจิตจะโฟขึ้นเพราะเราจิตหดหูวง่ายง่วงง่ายซึงมง่ายเนี่ยเออก็ต้องเจริญธรรมะเหล่านี้เยอะ และจิตก็จะหายจากความหดหูใช่ไหมหมออ้อยอย่างเดียนี้มันสองกลุ่มกลุ่มหดหกับจุงโงมฟุ้งซ่านทางหงอยเหงาเศร้าซึมในหดหแล้วก็จเจริญธรรมวิจัยวิรยิยะและปีติทางฟุ้งซ่านก็จเจริญปสัสสติสมาธิและเบกขาเขาจะยัง ฮะใช่ก็ต้องอยู่ด้วยกันแหละถูกแล้วัเข้าหากันบ่อยๆที่สองคนเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เลยคบกันถูกแล้วนี่ไม่ค่อยคุยกันนี่เอาไปนั่งคุยกันบ่อยๆคุยกันทุกเรื่องดีไหมคนนึงจะง่วงอยู่เลยเขาแค่อย่าง่วงอันนี้ไปนั่งอยู่คนเดียวแก้ปัญหาแก้ปัญหาเองเปลี่ยนแต่อี๊บอทอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง เปลี่ยนตามธรรมชาติต้องเปลี่ยนด้วยความรู้เปลี่ยนด้วยปัญญาต้องเปลี่ยนด้วยปัญญาต้องแก้ไขด้วยปัญญาสิพระเจ้าสอนไม่หมดแต่ไม่เอาไปใช้ไม่เอาไปฝึกไม่เอาไปพิจารณายุ่งทายอะไรทีนี้ใ en ช่ไหมก็ก็บอกไปหมดก็บอกไปแล้วสงสัยก็เพิ่มปัญญาสิ ก็พิจารณาทำที่เป็นกุศลอกุศลทำที่ควรเสพไม่ควรเสพทำที่มีโทษและไม่มีโทษพิจารณาเยอะๆๆความสงสัยหายเกลี้ยงไม่เหลือพิจารณาเหตุพิจารณาผลขึ้นมาฟังธรรมะทำลายเกลี้ยงอไวิจิิิิิิิิิิิิิหลือิิิิิิาริิิิิิิิิิิิติิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิญญาิิิิิิิิิิิิิิิิิิเิิิิิิิิิิิิ ไอ้ไอ้อตรึกเราไปตรึกไปในพยาบาทไปวิตกมันทํางานกับพยาบาทวิตกทํางานมากเกินไปนก็โกรธสิก็ก็ใช้นั่นแหละกลับเป็นตรึกในเมตตาแก้ได้แล้วไม่ยากหรอกแต่จิตมันอ่อนแล้วมันแก้ได้หมดแล้วใช่ไหมคลับพอเจะได้อย่างเนี้ยสงสัยไหมสงสัยไหมว่านี้ทีว่าจะแก้ยังไงต่อ คือบางทีเราบางครั้งเนี่ยบางทีเรานั่งเฉยเฉยก็ได้แล้วก็ผ่อนคลายสาหรับพวกตะกูลฟงทั้งหลายผ่อนคลายแล้วก็เดินเดินธรรมดาไม่ใช่เดินจำจำจำจำจำไม่ใช่นะเดินธรรมดาสบายสบายเนี่ยลงมาเดินข้างล่างเดินผ่อนคลายเสร็จก็นั่งเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็ฝึกได้ เพราะจิตเราเริ่มสงบได้แต่นี้เริ่มรู้แล้วอ๋อมันมีความสุขดีกว่าการอยู่กับความสงบมันมีความสุขทุกวันกืบอบไรเงี้ยไม่ถามมันนะไปฝึกลองดูโอเคนี่นละ